ศสนาแผนที่75ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่1กรกฎาคม2558มีชื่อเรียกว่าวางตัวเองให้สงฐานะ วันนี้เป็นวันที่หนึ่งกรกฏาคมพุทธศักราชสองพห้าอห้าสิบแปดวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเมื่อวานเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเพ็ญ แต่ปีนี้แปดสองหนแต่นับแต่วันนี้ไปละ่ะเข้าพรรษาเนะ่ยยังเดือนเดือนหนึ่งพอดีพอดีเพราะว่าวันเข้าพรรษานะี่ก็แรมค่ำหนึ่งเหมือนกันแปลว่าวันนี้หนึ่งเดือนนับจากวันนี้ไปเดือนเต็มพอดีเป็นวันอธิษฐานพรรษาแต่กับวันพระใหญ่ยยวันเดือนเพเนเป็นวันอสศรหาบูชา วันแรมค่ำหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาแต่วันนี้เป็นวันอุโบสถนะพระทุกองค์พระลูกหลานทุกองค์ตาองค์ไหนไม่ได้มาฉันอาหารก็บอกกันมาสักสิบเอ็ดโมงครึ่งให้มาพร้อมกันประมาณเที่ยงเราก็จะได้ลงอุโบสถวันนี้ลงอโบสถวันแรมหนึ่งค่ลงตาม ปฏิทินของวัดบวรทางวัดบวรเขาท่านกาหนดมาว่าตามปกติเขาจะลงโหมดสถวันสิบห้าค่ำสิบแรงสิบสี่ค่ำเพนสิบห้าค่ำเรือว่าเดือนกลางเดือนปลายเดือนแต่ทางวัดบวรบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่พระยนัพยนพระจันยังไม่เต็มดวงแต่วันนี้นะ่ เป็นพระจันทร์เต็มดวงให้พวกเราสังเกตดูนะเพราะนั้นพระสงฝ่ายธรรมยุทธก็ลงอุโบโสถตามปักทางทางวัดโบวรบอลกำหนดมาเพราะนั้นวันนี้เป็นวันอุโบโสถของของพระสงฆ์ในวัดของเราลงอุโบโสถเที่ยงเพราะนั้นพระทุกองค์นะ จะให้ได้ตามกันจะได้บอกกันบอกต่อๆกันด้วยองค์ไหนไม่ได้มาก็บอกกันแต่แตามไม่จริงวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเป็นวันทำบุญของโยมเท่าแก่ใหญ่เท่าแก่ก๊กฮงสีไทยใหม่เขาทำบุญทุกปีแต่หลวงพ่อจะมาอยู่ที่นี่จะสมัยหลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่จันสมได้มาทำบุญ ในร้านที่แรกกระทำหลุนบุญอยู่ที่ชี้แถวหมายบ้านผือแต่นี้ไปทําอยู่ที่อุดรโรงงานอยู่ที่อุดรแล้วหลวงปู่เพียรหลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆหมดโร่งโรยไปเรื่อยๆปีที่แล้วหลวงพ่อเป็นหัวหน้า แต่ปีนี้หลวงพ่อก็คิดว่าจะไปอยู่เพราะว่าโจรเท่าแก่มันก็บวชได้ปีนี้ศีไทยใหม่บวชแล้วไปบวชอยู่ถ้าสหายกับหลวงปู่จันเรียนบวชมาตั้งแต่เดือนไหนเดือนม ก, กราหรืออะไรหลวงพ่อก็จําไม่แน่แต่ก็ยังไม่ได้พบกันนะตั้งแต่บวชแล้วหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะคิดจะไปพบไปเยี่ยมเยียนท่านเหมือนกันเพราะเท่าแก่ก็คงเป็นผู้มีอุปกา ร, ระคุณสําหรับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์วงกรรมฐานของเราท่านเคารพองหลวงตาอย่างสุดซึง้งเพราะนั้นพวกเรามีอะไรก่อนน่ได้พึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอดแต่มาคราวนี้ท่านขอได้เสียสละคารวาดบันโค้งช่วงบันปลายชีวิตของท่านท่านก็เลยออกบวชไปอยู่ที่ธรรมสหายเดี๋ยวนี้เป็นพระแล้ว เป็นผู้มีพระคุณสำหรั บ, บวงการครูบาอาจารย์พระกรรมฐานถ้าใครไม่รู้จักเท่าแ ก, ก่โคกหงสนะ์น่ะไม่มีหรอกฮะเหมือนกับไม่มีใครไม่รู้จักเท่าแ ก, ก่กิมกก่ไม่มีฮะในวงกรรมฐานของเราแต่ีนท่านก็ได้บวชแต่ท่านก็ทาบุญทุกปีวันที่หนึ่งกรกดานนะเป็นทําบุญ รวมญาติหรือทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปการะคุณเพราะท่านตั้งโรงงานโรงสีมานมนานแล้วก็ทาบุญให้เตี่ยให้แม่ให้ปู่ญาตาิยายของท่านนะอพระครูบาอาจารย์ก็ไปทุกปีแต่ปีนี้ก็หลวงพ่อคิดว่าจะไปนะแต่มาพิจรนารณาดูทบทวนดูแล้วออกตั้งแต่ตีสตีหาตีตหนะแต่ออกไปแล้วก็ พอฉันจะหันเสร็จกว่าจะเสร็จได้ก็เกือบสิบโมง <c oughs> ทุกปีที่ผ่านมาพอกลับมาแล้วจะลงโบส ด, ด้วยวันนี้เพราะเป็นวันอุโบสถของพระในวัดประมาณเที่ยงนัดกันทุ ก, ทกวันทุกวันอุโบสถคือเที่ยงลงอุโบสถพอกลับมาแล้วจะมานั่งอีกโก้ไม่ไหวลูกหลานะก็เลยให้พระท่านรุ่นไปแทนวันนี้ ไปแทนหลวงพ่อหลวงพ่อเลยไม่ได้ไปนี่แหละหลวงพ่อเคยคิดหน้าคิดหลังเหมือนกันนั่นลูกหลานนะเพราะร่างกายของเรานะมันไม่น้อยไม่น้อยไม่หนุ่มเหมือนสมัยก่อนอแต่สมัยก่อนน่ยหลบเลี้ยวไปทางไหนก็ได้แต่ทุกวันนี้มันอืดอัดกว่าจะจะไปได้กว่าจะเอี่ยวตัวได้พอมันแก่แต่ถึงยังไงก็ต้องระมัดระวัง ไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่นเพราะนั้นวันนี้จึงลุงพ่อจึงไม่ได้ไปไม่ได้ไปงานโยมเท่าแก่กกุงให้ครูบาอาจารย์น้องนุ่งทั้งหลายเป็นผู้ทำต่อไปอันนี้ก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลการทำบุญเป็นตะกูลเข้าไปทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศล ให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านหลวงรับดับขันไปพวกเราอยู่เบื้องหลังที่ได้รับมรดกที่ท่านทำมาค้าขายตกทอดมาให้กับพวกเราพวกเรารับไปแล้วก็ไม่ระลึกถึงบุญคุณของใครเลยเมื่อกลิงได้กล้วยอย่างงั้นนะพอได้เลย ห, หญิงเขี้ยวอีกต่างหากฮะมันก็ไม่น่าจะถูกในเมื่อเราได้ รับมรดกมาแล้วจากพ่อแม่ที่ท่ท า, นททานให้มาให้อะไรก็ให้ตั้งแต่หัวจดเท้านะเราได้มาจากใครถามดู้ใช่อหตั้งแต่หัวตั้งแต่สีสษะของท่านจนถึงฝาเท้านะเราได้มาจากใครได้มาจากท้องแม่ไม่ใช่เหรอพ่อแม่ให้มาแต่จากนั้นกันก็ดูแลเราอย่างดีอีกต่างหาก เราเกิดมาแแบเบาเห็นไหมเด็กเกิดมาเป็นยังไงตัวแดงๆพอเกิดมาแล้วใครเป็นคนดูกับแม่แล้วเป็นคนดูกับพ่อแม่ะจากนั้นท่านก็บมรดาให้ผี่เลี้ยงช่วยดูแลประครับประงมช่วยกระชุนแล้วก็เป็นเงินของท่านอีกเหมือนกันแม่เลี้ยงที่จะมาดูผี่เลี้ยงที่จะมาดูก็ต้องว่าดจ้างก่อนที่จะ เอามาดูก็ต้องดูอีกสัก่อนว่าพี่เลี้ยงคนนี้เนะี่ยมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมีเมตตาดีไหมเป็นคนดีไหมกันต้องเลือกแล้วเลือกอีกเหมือนกันที่จะมาดูดูแลลูกของท่านเพราะว่าท่านมีเงินไม่ใช่ว่าเอาคนโคโลคนโสมาเอามาเลี้ยงลูกของตอนเองแต่พูดอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่ก็ดี แต่พอรับหลังก็ยังพวกเราเคยได้เห็นได้ยินกหกามปูคาบเลยบิดัเด็กนี่กลัวผี่เลี้ยงยิ่งกว่าอะไรอีกอย่างนั้นก็มีแต่ทึงยังไงพ่อแม่ที่มีคุณธรรมรักลูกของตนเองต้องดูเพอเพยังเสียสละเวลาอีกไม่ให้ใครเลี้ยงอีกพ่อแม่เลี้ยงเองอีกต่างหาก เพราะความรักลกูกนี่แหละสรุปแล้วก็คือเมื่อเราใหญ่ถึงมาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องลำลึกถึงพระคุณของท่านถ้าใครก็ตามไม่ละลึกถึงผู้มีพระคุณผู้มีอุปกระคุณผู้นั้นจะไม่มีความเจริญทางด้านจิตใจถึงแต่ว่าตัวเองร่ำรวยก็เถอะแต่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าความจีบหายจะเข้ามา สู่ตัวของพวกเราทุกๆท่านแล้ะเมื่อใหญ่เมื่อเป็นตัวของตัวขึ้นมาเมื่อมีครอบมีขัวมีลูกขึ้นมาเราจะสอนลูกเราอย่างไรเพราะว่าตัวของเราก็ไม่เคยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพ่อแม่จะสอนว่าลูกต้องระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่นะจะไปพูดได้อย่างไงเพราะตัวเองไม่เคยระลึกถึงพ่อคุณของพ่อแม่ของตนเองเลยไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเลย สิ่งเหล่านี้เหล่านั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องได้คิดนะต้องคิดเพราะเราเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นลุกผู้เลี้ยงดูเราในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือพ่อแม่พวกเราในฐานะลูก จะแสดงความกระตันยูกระตะเว ท, ที่ตาอย่างไรกับพระคุณของพ่อแม่ที่ท่านได้เลี้ยงดูดเรามาท่านจึงเปรียบเทียบว่าพ่อแม่เป็นพรหมเป็นพรหมของบุตรพรหมคือพรหมวิหารเป็นผู้มีเมตตากับบุตรทิฏฐดาของตนเองอย่างสดชุดพ่อแม่เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนอพ่อแม่ เป็นครูเป็นอาจารย์ของบุตรธิดาเเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้เป็นครูสอนเป็นบุพาอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกที่สอนบุต ธ, ธิดาพอเกิดมาพ่อแม่พ่อกับแม่แม่สอนก่อนอาบน้ำอย่างนี้ทานอาหารอย่างนี้ขับถ่ายอย่างนี้พ่อแม่สอนหมดแต่ยังไม่ได้สอนเป็นภาษานะทำให้ทำเพราะตัวเองยังไม่รู้ภาษา พอรู้ภาษาพ่อแม่ก็สอนเป็นภาษาให้จากนั้นก็ให้รู้จักเรียกพี่ป้าน้าอาพี่พี่น้องน้องลูกลูกลุงป้าน้าอาพี่น้องอันนี้คืเมื่อสอนพอสมควรแล้วก็ส่งเข้าโรงเรียนถึงจะส่งเข้าโรงเรียนก็ถึงบางทีแม่ยังไปเฝ้าอีกกลัวลูกตัวเองจะได้รับความกระทบกระเทือนยากลาบาก นี่แหละลูกตัวเองลูกกนมี้จะงองแงอยู่ตลอดนี่แหละอันนี้ก็คือการดูแลของพ่อกับแม่เลี้ยงลูกแต่ละคนไม่ใช่ของง่ายๆนะหลวงตาท่านจึงบอกว่าลูกแต่ละคนเนี่ยมันใหญ่เหมือนกับข้าหลวงข้าหลวงคือผู้วาราชการจังหวัดสมัยนั้นนะคร้ายๆอะไรอำนาจบาทใหญ่ทั้งหมดอพยในจังหวัดคือข้าหลวง ต่อมาเนี่ยผู้ใหญ่ขึ้นมาลดเป็นนายอำเภอนายอำเภออต่อมาก็ลดเป็นกำนันต่อมาลดเป็นผู้ใหญ่บ้านคือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมายังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่นะแต่ถึงยังไงยังไงก็ยังเอาเปรียบพ่อแม่อยู่พ่อแม่ก็ต้องยอมเพราะบอกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ชี้เป็นผู้นําของชาวบ้านอันนี้ก็เหมือนเป็นผู้นําของพ่อของแม่ลักษณะอย่างนั้นอ่ะ นี่แหละอันนี้คื อ, อ, อพ่อแม่เป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูบททีธธ่ดาเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะในท่านยังบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่เลียเเ้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านฮะอันนี้และว่าที่ว่าทําบุญอุทิศสวนกุศลอย่างที่พระท่านไปวันนี้นี่นะเมื่อพ่อแม่ล่วงล่วงลับราบพันไปที่บุตรธิดาลูกหลานที่อยู่เบื้องหลังเท่านให้มรดกลอมไว้แล้วเรามีอะไรจะตอบแทนพระคุณของท่านได้นอกจากการทําบุญอุทิศสวนกุศลให้เป็นครั้งคราวแต่บางคนลืมไป จนไม่จนไม่คิดไม่อ่านเลยแต่นะอันนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวง น, นั่นคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบอดูที่เมื่อท่านเลี้ยงเรามาเป็นยังไงแต่เราสมัยเราแบะบอกอพอเราใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้น้ำแก้วหนึ่งอาหารการบริโภค ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลียวแหลเลยจะถูกต้องไหมถึงท่านจะไม่เรียกร้องจากเราเพราะท่านมีบริวารลูกน้องบริวารใครๆมีมากแต่ถึงอย่างไงก็ตามหน้าที่ของบุตรธิดาบุตรชายบุตรสาวเนะี่ยลูกสาวลูกชายนะก็เป็นหน้าที่โดยตรงจะต้องเข้าไปหาท่านจะต้องไปเอื้ออำนวยกับท่านให้ทึ่นึกถึงว่าเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วนะ เราจะไม่เลยเลือกถึงพระคุณของท่านจะเลยไม่น่าจะถูกต้องอเมื่อท่านเลียงดูเรามาแล้วดูแลกิจการของท่านดูแลตอบตอบแทนพระคุณท่านทำธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอดรดแต่บางคนอพอเป็นหนุ่มเป็นสาวพอมีฐานะขึ้นมาแล้วนะอะไปหา เที่ยวฮัตเตรอบายยมุกทุกอย่างจากนั้นก็อยากจะให้พ่อแม่มอบมรดกให้ตนเองว่าหาว่าพ่อแม่ขี้งกขี้ตเน่ไม่ให้ตัวเองจะให้ได้อย่างไงเพราะตัวเองทำตนไม่ดีเนี่ยหลักทำคำสอนว่าประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกประพฤตตนยังไงเป็นคนดีไม่เล่นการพนงไม่เล่นการพนัน พ่อแม่มอบสมบัติให้เขาจะรักษาให้ดีเพราะท่านหมหั ก, กว่าที่จะท่านกว่าที่ท่านจะได้มรดกมาให้เร า, เาได้บริหารนี่ยไม่ใช่ท่านได้มาแบบง่ายๆเกือบลูกตากระเด็นท่านรักษามาแต่พอมาถึงเราเร า, เ, าเราใช้แบบอิรุชูแฉกไม่ได้ดูไม่ได้แลอวพอได้สุก็เลยชับมรดกยมรดกยังไม่ไปถึงที่ไหนท่านยังไม่ตาย มรดกหมดแล้วนะท่านจะมอบความไว้วางใจให้กับเราได้อย่างไรเนะี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันก่อนที่จะมอบมรดกให้กับลูกแต่ละคนเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักสรุปแล้วให้รู้จักในการวางตัวในการที่จะรับมรดกจากพ่อจากแม่สิ่งเหล่านี้เนะี่ยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้หมดนะเพราะฉะนั้นกอให้พวกเรา พระลูกพระหลานศรัทธาญาติโ ย, ยมทุกคนนะเรามาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อว่ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงถ้าเราได้นํามาประพฤติธปฏิบัติแล้ว เ, เมื่อเราได้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพุทธแล้วพระพุทองค์ท่านวางให้วางอย่างไงให้สอนอย่างไงอย่างทิศหกทิศทาง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 ิายนะเดือดร้อนนะเพราะอะไรถ้าวางตัวไม่ถูกกับพ่อกับแม่วางตัวไม่ถูกกับทิศเบื้องหน้ า, นะาถ้าเมื่อเบือเบ้องหน้าทิศเบื้องหน้าพ่อแม่ไม่ให้ความสำคัญไล่ออกจากกองมะะรดกอย่ามาใกล้เรานะาลูกอย่างนี้ไม่ใช่ลูกของเราหรอกเกเรอย่างนี้มีแต่จะทำร้ายทำร้ายพ่อแม่อย่างนี้นะ อ, อย่ามาใกล้นัอจะไปยังไงล่ะ เรามีความสุขไม่ทุกเมื่อเราทำไม่ถูกเราถ้าว่าเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละการวางตัวกับพ่อกับแม่พ่อแม่รักรักเราเรารักพ่อแม่พึ่งพาอาศัยกันนั่นแหละเจริญเนีน่ยนะการวางตัวกับทิดเบื้องหนา้าทิดเบื้องหลังก็เหมือนกันสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้รักเมตตากันไม่มีใครที่จะ พึ่งพาอาศัยกันได้ยิ่งกว่าสามีภรรยาถ้ามีสามีภรรยามีน้ำใจมีความรักพักดีไม่มีเมตตาต่อกันครอบครัวนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะไรเพราะไว้เนื้อเชื่อใจกันไว้วางใจกันพึ่งเป็นพึ่งตายกันในสามีภรรยาเนี่ยนั่นนะสามีภรรยาเพราะว่าพ่อแม่ของเราถึงท่านจะรักเราก็เถิท่านก็อยู่ห่างนะแต่สามีภรรยาเนี่ย เรื่อที่อยู่ด้วยกันนะมีเมตตาต่อการเจ็บไข้ในป่วยต้องมองต้องดูต้องแลกัน น, ะนี่แนหะปฏิบัติให้ทอกนะทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารยนะ์ครูบาอาจารย์กันนี่ตั้งแต่พ่อแม่ของเราพอเรารู้รู้เดียงสาภาวะแล้วก็พ่อแม่ก็สอนพอสมควรวก็ส่งเข้าโรงเรียนนั่นแหะครูบาอาจารย์นะ แตตั้งแต่อนุบาลปถมพัฒมัธยมปริญาตรีโธเอกจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ก็สอนนะวิชาอาชีพต่างๆวิชาขับรถวิชามิอะไรอย่างพวกเราเข้ามาอย่างนี้ลุงพอก็สอนวิวชาศีลธรรมเป็นอาจารย์สอนวิชาศีลธรรมคิดอย่างนี้นะจึงจะถูกนะรมอย่างนี้จึงจะถูกนะพูดอย่างนี้มันจึงจะถูกนะอันนี้แหละล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ว่าทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ เทศบืองซ้ายมิตรสหายคนเราต้องมีหมูมีเพื่อนมีมิตร ม, มีสหายถ้าว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่มีมิตรไม่มีสหายนะไม่มีหมูมีเพื่อนที่ดีไม่มีกัญยาณมิตรกัญยาณมิตรคือมิตรที่ดีปาปะมิตรคือมิตรชั่วนะเราต้องเลือกนะเถิดถ้าได้มิตรชั่วมากขนานดะชักชวนไปในทางจิบหายเลยการพนันที่ไหน ขายยาบ้ายาม마ที่ไหนนั่นชักชวนไปในทางที่ชวนจีบหายถ้าได้ปาประมิตรนะถ้าได้กัญยาณมิตรมิตรที่ดีมีแต่เกื้อกูลหนุนกันอันไหนที่เป็นทางที่ดีแนะนําบอกกล่าวกันถ้าคนมีกัญญาณมิตรมากๆ ม, มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเพราะว่ามิตรที่ดีแนะนําไปในทางที่ดีกัญยาณมิตร ก็คือทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารเราจะไปมองข้ามลูกน้องบริวารทำบริวารไม่ดีเน่ยเราก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันทำบริวารดีบริวารจงรักภักดีบริวารของเราดีเราได้มาก็แบ่งปันให้บริวารมีอยู่มีกินมีใช้อัตตาตามอัตภาพที่มันรวยเราก็ให้ตามที่มันมันมันรวย เมื่อมันจนเราก็ต้องให้ตามที่มันมีนี่แหละอันนี้ก็คือทิศเบื้องต่ำเบา่าลูกน้องบริวารแล้วก็ทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์ก็คือครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อสมณพราหมณ์ของหลวงพ่อก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั่นของหลวงปูล่ล่าหลวงตามหาบุกครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนรู้จักตีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควร เมื่อเป็นนักพจนักบวชแล้วปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้เราสัมมาณพราหมณ์เป็นผู้แนะนําพร่ำสอนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรนี่แหละถ้าว่าพวกเราปฏิบัติตนให้ถูกต้องต่อทิศทั้งหกไม่ฝืนทิศทั้งหกให้เคารพคารวะนอบน้อมต่อทิศทั้งหกมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวนีอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กับ ลูกศิษย์ลูกหาพุทธบริษัทของพระพุทธองค์เพราะนั้นขอให้พวกเราที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังที่เขามาบวชในพุทธศาสนาหรือเป็นลูกของพ่อแม่เป็นลูกของเป็นหลานของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์มีมิตรมีสหายมีสามีภรรยาวางตัวให้ถูกต้องจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจ น, นันอันนี้ก็คือการวางตัวและการประพฤติตนให้ถูกต้องแต่ถึงยังไงในความนึกรู้สึกนึกคิดนะรู้สึกนึกคิดของเราลึกๆอันนั้นเราต้องนึกคิดอีกส่วนหนึ่งนะเกิดมาแล้วตายแน่ๆนะเรานะฮะตายแล้วตายแล้วไม่ศูนย์นะให้ศึกษานะให้ศึกษานะอันนี้ลนะต้องเราต้องศึกษานะตายแล้วไม่ศูนย์บาปบุญบาปบุญคุณโทษมีจริงนะ นรกสวรรค์มีจริงนะปุเพนิวาสานุตสติญาณพระพุทธเจ้าท่านตรัสรูธรร้ธทำปุเพนิวาสานุตสติญาณและลึกชาติผนหลังได้จุดปะปะปะูปปาตาญาณการเกิดการตายของสรรพสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้ตายตายแล้วเกิดไปด้วยอะไรเพราะไปด้วยกรรมกรรมคือการกระทําถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีจะให้ผลไปในทางที่ดีถ้าใครทํากรรมชั่ว กรรมชั่วจะให้ผลไปในทางที่ชั่วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอักตังลุกตังเสยโยปัชาตตปติลุกตังยยรตกรรมชั่วอย่าทําเสรลยดีกว่ากรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังหลวงพ่อก็เลยแถมข้าไิอีกว่าสิ่งที่มันผิดกฎหมายอย่าทําเสรลยดีกว่า ในเมื่อเราทำลงไปแล้วถลําการทำผิดกฎหมายลงไปแล้วเมื่อกฎหมายในทางที่ถูกให้ผล เ, เขาจับได้ไล่ทันมันผิดกฎหมายนะเขาก็จับในเมื่อจับเข้าไปแล้วตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่เดือดร้อนได้ยังไงพอเข้าคุกอยู่ในคุกนะ เ, เพราะเองตัวเองทำผิดนะมันผิดคำนี่มันกว้างขวางทีเดียวคิดก็ผิด ทำออกไปก็ผิดพูดพูดออกไปก็ผิดนะในเมื่อตัวเองทำผิดแล้วนะเมื่อกำชั่วให้ผลเมื่อกฎหมายเขาเล่นงานให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นสิ่งไหนที่มั น, ม, นมันผิดนะให้ลูกหลานขนา้ทาทศชายาดโยมทุกคนให้ตรวจตราดูถ้ามันไม่ถูกแอย่าทำนะ อย่าไปเอาตามใจตัวเองมากจนเกินไปก็ไม่ได้นะต้องดูกฎหมายการอยู่ด้วยกัน ต, กต้องมีกฎต้องมีกติกาถ้ามูบทเป็นพระก็ต้องมีวินยัยศีลและวิณัยคุ้มของลมเย็นเป็นสุขถ้าพระอยู่เละเละท ะ, ท ะ, ทะไม่มีศีลไ ม, ม่มีวินยัยดูแล้วมันใครเห็นก็ขวางหูขวางตาศรัทธาญาติโยมถือเคารพศรัทธาก็ไม่สบายใจในการ เห็นการกระทำของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะทําบุญก็อย่างไงอย่างไงอยู่ฮนะเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่สนิทใจเห็นพระไม่อยู่ในร่องในรอยไม่อยู่ในหลักพระธรรมวิไงเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพร ะ, เ, ะเข้ามาบวชได้ศึกษาได้รู้อถ้าว่าสมัยเมื่อเราเป็นครวัตถ้าเราเห็นพระปฏิบัติตนอย่างนั้นเรามีความรู้สึกอย่างไรฮะ เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็อาเกอ้ออวนพูด ง, ง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราบวชเข้ามาเนี่ยเราประพฤติตนเน่ยเราถ้าเราเป็นพระอย่างนี้เรากราบเราลงไหมต้องถามว่าเรากลาบเราลงไหมกลาบได้เพราะเราประพฤติบทปฏิบัติตนอย่างนี้ถ้าเราเป็นพระแล้วต้องกลาบเราได้เลยเนี่ยเอนต้องคิดอย่างนั้นนะถาว่าขนาดตัวเอง ยังกราบตนเองไม่กล้ากราบตนเองเพราะตัวเองทําชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วไม่กล้าที่จะกราบตนเองแสดงว่าเราใช้ไม่ได้แล้วนะอถ้าตรวจตราดูตนเองมองเจ้กของดูเจ้กของเน่ะโอ้ถ้าข้าทำอย่างนี้นข้ากราบข้าไม่ลงแล้วกันเอแสดงว่าเราแย่มากแล้วนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะลูกหลานทุกองนะมองดูตนเองนะตอต่อเนี้ไปรับผ่อนในต้นเน้า